พิจารณากายปากก็คือท่อที่สกปรกเปืเป้อนไปด้วยน้ำลายและขี้ฟันจมูกก็คือท่อของน้ำมูกเมือกเลยวและขี้มูกตาก็คือท่อของน้ำตาและขี้ตาท้องและทรงอกก็คือท่อที่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะปอดตับไตม้าม และอวัยวะอื่นๆผู้ที่ตกอยู่ภายใต้ความเมามัวย่อมไม่มองเห็นร่างกายเป็นเช่นนี้จึงตกเป็นธาตุราคะตัณหาคล้ายกับคนโง่ที่หลงอยากได้มอประดับลวดลายที่บรรจุด้วยของเน่าสกปรกผู้หลงมัวเมาย่อมปรารถนาในเพศตรงข้ามด้วยอาการเช่นเดียวกันหากโลกยังหลงยึดติด แม้กับร่างกายที่สกรปรกเน่าเหม็นเช่นนี้ได้แล้วอะไรจะช่วยให้พวกเขาหมดความยึดมั่นถึงมั่นโดยความเป็นตัวตนได้เล่าแล้วมันจะเป็นอิสระจากตันหาทั้งปวงได้อย่างไรเหมือนกับหมูที่ชอบเกลือกอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะและอาจมผู้ที่เต็มไปด้วยตันหาราคะ ก็ชอบที่จะเกิดกลัวอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะและอาจจมเช่นกันเมืองแห่งร่างกายอันเป็นช่องกลวงที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกนี้คือสิ่งปรารถนาของผู้โง่เขา่าหากเธอได้เห็นสิ่งสกปรกอุจจาระปัสสาวะหรือของเสียทั้งหลายสักครั้งหนึ่งแล้วเธอจะหลงสเสน่ห์ร่างกายอันเป็นที่บรรจุมันได้อย่างไร ทำไมเธอถึงจะไปหลงปรารถนาในสิ่งเหล่านี้หากเธอเข้าใจชัดว่ามันเป็นสิ่งสกรปรกที่เกิดจากการผสมกันของเลือดและอสุจิผู้ที่นอนหนุนลงไปบนกายอันเป็นก้อนปฏิกูลที่หุ้มห่อด้วยหนังที่ทำให้ชุ่มชื้นด้วยสารล่างและเงือ่อก็เหมือนกับการนอนหนุนอยู่บนกระเพาะปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นคนสวยหรือคนขี้เร่ วัยรุ่นหรือวัยชาราร่างกายนั้นก็ล้วนเป็นของไม่สะอาดทั้งสิ้นแล้วเพราะเหตุใดพวกเธอจึงเกิดตัณหาขึ้นได้มันเป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่น่าปรารถนาเลยแม้ว่ามันจะมีสีสันที่สวยงามดูสดชื่นหรือมีรูปทรงที่ยั่วยวนเช่นกายของสตรีก็ตามทำไมธรรมชาติอันเป็นปฏิกูลโสโครก ที่หุ้มห่อด้วยหนังนี้จึงมีถูกเห็นในเมื่อมันเป็นสิ่งแย่เช่นนั้นผิวหนังมันไม่ได้ดูสกรปรกไปด้วยคล้ายกับเสื้อที่เราสวมใส่แต่เมื่อมันเป็นสิ่งที่หุ้มห่อปกปิดความสกรปรกไว้แล้วมันจะสะอาดไปได้อย่างไรโถที่ดูสวยงามภายนอกแต่ก็ยังถูกรังเกียจเมื่อนำไปบรรจุของปฏิกูล แต่ทําไมร่างกายที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลภายในจึงไม่ถูกรังเกียจเลยเล่าหากเธอรังเกียจสิ่งสกปรกโสโครกทําไมเธอถึงไม่รังเกียจร่างกายนี้ซึ่งสกปรกโสโครกด้วยเล่าเหมือนกับของที่สกปรกของตนเองหรือของผู้อื่นก็จะถูกตําหนิรังเกียดเดียดฉัน แต่ทำไมไม่รังเกียจเดียดฉันร่างกายอันสกปรกของตนเองหรือของผู้อื่นเล่าเพราะร่างกายของเธอเองก็ไม่สะอาดเช่นเดียวกันกับร่างกายของผู้อื่นมันจะไม่ดีกว่าหรือที่จะไม่ไปปราถนามันทั้งของตนเองและของผู้อื่นหากเธอทำความสะอาดร่างกายนี้ด้วยตนเองอยู่ทุกวันซึ่งมันก็มีแต่สิ่งสกปรกที่ไหลยหยดออกจากรอยแผลทั้งก้า แต่เธอก็ยังคงไม่คิดว่ามันสกรปรกอีกเช่นนั้นแล้วฉันจะสั่งสอนเธอได้อย่างไรเล่าใครก็ตามที่ประพันธ์โครงด้วยการยกย่องชื่นชมร่างกายนี้ช่างหน้าไม่อายช่างโง่เขลาช่างหน้าอับอายเสียนี่กระไรยิ่งกว่านั้นมนุษย์พวกนี้ซึ่งถูกปกปิดด้วยความหลงยังทะเลาะกันด้วยความต้องการในสิ่งสกรปรกนี้ เช่นเดียวกับสุนักที่แย่งกันกินของสกรปรกมนุษย์เรารู้สึกสบายเมื่อได้เกาแผลที่คันแต่มันจะไม่สบายกว่าหรือหากปราศจากแผลนั้นเช่นเดียวกันมนุษย์เรารู้สึกสบายที่จะตามความปรารถนาไปกับโลกแต่มันจะไม่สบายกว่าหรือหากปราศจากความปรารถนานั้นหากเธอพิจารณาจนเข้าใจชัดเช่นนี้ แม้ว่าเธอจะยังไม่สามารถอิสระจากตันหาได้โดยสิ้นเชิงแต่ความมากๆในเรื่องการมาราคะของเธอก็จะไม่มีเพราะตันหาของเธอลดลง